ยินดีต้อนรับทุกโชรของกันคุยธรรมะในการคุยๆธรรมะนี้ก็อยู่ในใจของทุกคนจะเป็นพระภิกษุคนดําคนขาวคนเตี้ยคนสูงคนจนคนรวยและมีธรรมะกันได้ทุกคนและธรรมะที่ นะหลายมีมาแล้วหลายพันบีมมาแล้วก็จึงมีความเอ่อมหัศจรรย์เกิดขึ้นนี้และมีของสมณบริชาเป็นต้นในเช่น แต่เมตัวตนของฉันจันนี่ของฉันเรื่องของเธอได้แบ่งพรรคแบ่งพวกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอะไรกันได้มีการถือตัวกันแต่แต่เออคนก็ยังฟัง นั่นแหละเอ้ยคุณย่าทำคุณย่าไปเป็นอย่างงี้สิโหยังมีคนฟัง นั่นนี่ก็เป็นความมหัศจรรย์เหมือนกันเนี่ยเป็นของที่รู้ได้เฉพาะตนไม่จํากัดการคุณเห็นจะมาแวกออกหยิบให้ นะจริงๆถึงถึงจะเรียกว่าเป็นธรรมดาจะเป็นอมรรถานก็เถอะแต่ว่ามันก็คือ เรามารู้ธรรมะนะมีข้อมูลให้อ่าหนังสือก็มีให้อ่าเสียงก็มีให้ฟังวิดีโอก็มีที่ สามารถมาพิจารณาได้นรามีสติมีสมาธิแล้วเนี่ยเราค่อย คล론 อารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแก่เรานี้เป็นสิ่งมีปัจจัยประงแต่งแต่ๆคืออุเบกขาเดี๋ยวเราก็ง่ายๆ อารมณ์ที่ 3 อย่างเท่านั้นเองเอาอย่างง่ายๆนะเอาๆแต่ถ้าเราจะแยก 3 อย่างเท่านั้นเอาง่ายๆนั้นก็เวทนาที่เป็น 3 อย่างนี้แน่นอน ไม่ว่าอยู่เวลาไหนอยู่เวลาไหนในเช่นคุณอยู่ในรถได้กําลังขับรถไปเดี๋ยวบ่าเนี่ยเอาละมอเตอร์ไซค์ปาดหน้าเอียดเข้าให้มัน แล้วกลับไปแล้วกลับไปอ้อพยายามทําใจให้เย็นเอ่อรู้ลมเอาๆปล่อยว่างๆๆ เนี่ยจะเหมือนกับไม่อยู่กว่าความรู้สึกตรงนั้นแหละเนี่ยเค้า 3 อย่างนี้เท่าๆมันมีแค่ 3 อย่างเอ่อพระศาสดาบอกว่า ในความรู้สึกที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างเนี่ยเคยสังเกตจิตตัวเองมั้ยกระทบนั่นแหละคุณจึงมีความรู้ นรับภาษาทางหูมาละผ่านมาทางหูละนั้นในขนาดเดียวกันกลับไปกลับไปโดนบ่อใส่ปลาหน้าเอี้ยดเข้ามาละอ่านรับภาษาทางตาละเห็นละรับภาษาทางกาย อภัสสะภาษาตั้งใจนะมันมีผัสสะเนี่ยจึงมีเวทนาต่อผู้ฟังมีผัสสะจึงมีเวทนาเพราะมีผัสสะจึงๆมากนะเบสิกพื้นๆเลยนะเพราะโอเคฟังกับ อนาคตเราจะไปฟังที่นี่อีกเราจะไปซื้อตั๋วคอนเสิร์ตเราจะไปที่นั่นคอยฟังแล้วนะคิดถึงพ่อถึง น้องเรียกตำรวจมาจับทำไมบ้านเมืองเป็นต้องเปลี่ยนนโยบายต้องเลือกใครตั้งใครดีขึ้นมาเป็นช่วยดูแลปัญหานี่ต่างๆไปนู่นล่ะนั้นคือมีของประงค์แต่งนะเป็นของ แต่ถ้าเป็นผ้าเอาไปผ้าเป็นต้นถ้าเป็นผ้าเอาไปผ้าเป็นต้นก็ได้นะผ้าเนื้อเช่นไอ้ การปฐมพยาบาลเป็ดเบี้ยเรื่องชั่วช้าลามกโอ๊ยมันๆมาโดนผิวเป็นยังไงท่านฟังเราเอากระดาษทรายหรือว่าแปรงทองเหลืองมาขัดผิวดูโอ้ยเออนะอย่าอย่าไปทํานะเพราะมันจะ ห่อผ้าสำลีมานุ่มๆอย่างเงี้ยมันลูบผิวเราไปแม่มันนุ่มแหมมันเนียนเนื้อมันแนบเนื้อในเช่นเดียวกันไอ้ความคิดความรู้สึกหรือว่าเอ่อที่เค้ามามอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าเนี่ยมันเป็นของหยาบหยาบตรงไหนตรงที่มันมา เหี่ยก็อยู่ที่ในใจไงอะไรที่อยู่ในใจนุ่มนวลนุ่มนิ่มจริงละเอียดๆ นะซ้ําๆๆยําๆซ้ําๆยําๆอยู่ที่เดิมนั่นแหละแล้วนิ้วเนียนมือๆย้ําเนี่ยเคยเห็นช่างไสไม้นะเค้าใช้กบไสไม้เนี่ยกบไฟฟ้าก็ได้ เนี่ยแล้วก็เอากระดาษทรายเบอร์ละเอียดมาขัดอีกซ้ําอยู่นั่นน่ะซ้ําอยู่นั่นน่ะจนมันเนียนเนื้อไปเลย เจอยังหาสิทํายังไงๆทําซ้ําซ้ําๆย้ําๆหาดูข้างในเนี่ยมันอยู่ตรงไหน นะไม่ทั้งสุขไม่ทั้งทุกข์ในสุขมันมันมันละเอียดยังไงมันหยาบยังไง อุเบกขาเนี่ยมันละเอียดตรงที่ว่ามันสุขมันไม่มีมันทุกข์ลงเปลี่ยนแปลงสุขทุกข์อย่างนี้อยู่ในใจของเราเนี่ยมีอยู่จุดหนึ่ง เวลาที่เราเข้าไปเพ่งเฉพาะจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นให้เป็น นะตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีดีมันอย่างไหน 4 นั่นแหละนะฌานสมาธิที่เรียกว่าเป็นจิตจริงๆเลยนั้นนั่นอุปเอกาเกิดขึ้นได้เอาไปเพ่งเฉพาะตรงนี้ นักขอให้ตั้งใจทำทำให้